เห็นการหาเงินหาทองหาลาภหายศอะไรต่างๆในโลกอันนี้นะมันก็เป็นการชั่วคราวเท่านั้นเองพอเป็นของไม่ย่งยืนส่วนการกระทาในใจโดยอุบายเยบใคร ฝึกให้ใจในี่เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาเนี่ยนภาเป็นการงานที่มีผล อ, อย่างมั่นคงท้าวลเพราะจิตนี้เมื่อฝึกได้แล้วมันจะไม่หมุนไปทางชั่วมันจะตั้งอยู่ในคุณงามความดี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 พีได้เอาไปใส่ข่าใส่ไทยมันก็ยังเดินไปได้สะดวกคล่องแคล่วอยู่นั่นแหละฉันได้ิตจ ใ, จใจนี่เมื่อฝึกให้มันดีต้องดีจริงนะดีธรรมดาก็ใช้ยังไม่ได้ดีต้องดีจริงดีจริงดียังไงอะ่ะดีหมายความว่าจิตดีตั้งมั่นอยู่ใน กุศลธรรมละเว้นจากบาปอกุศลทั้งหลายให้ได้ในวันนี้เมื่อละบาปอกุศลออกจากกิจใจแล้วก็มามองดูสิภาวะที่เราอาศัยอยู่เนี่ยได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้มันก็ล้วนแต่ไม่มีอะไรเป็นของเที่ยงยั่งยืน ทีแรกมันก็แข็งแรงดีอวัยวะร่างกายทุกส่วนก็ปกติไม่แปรปวนเมื่อเข้าสูสไวกลางคนหรือไวชราเข้ามาแล้วร่างกายนี่ก็ย่อมทรุดโทรมไปไม่มีอะไรเที่ยงอย่างยืนกำลังก็ทดถอยน้อยลงไป ไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้นี่แหละเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงรู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ของเรารูปร่างกายอันนี้ถ้าเป็นของเรามันก็ต้องบังคับได้มันก็ต้องไม่แก่ไม่จีบไม่ตายเพราะว่าทุกคนย่อมไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่ชอบความแก่ความเจ็บความตายแต่ไม่ชอบก็จำเป็นต้องได้รับเพราะกฎธรรมดาวมีอย่างนั้นนี่มาพิจารณาเห็นจริงอย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดถือว่าขันหานี้เป็นตัวเป็นตนระวังเฉยต่อขันหานี้ให้ได้อย่าเสียใจดีใจ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 รู้ไปแต่เนิ่นเนเนี่ยรู้ไปแต่ยังไม่เจ็บไม่ป่วยถ้าเวลายังไม่เจ็บไม่ป่วยนี่ไม่กำหนดรู้ร่วงหน้าไว้ไม่กำหนดรู้เท่าไว้ก่อนเวลาความเจ็บไข้มาถึงเข้านั้นสิจิตใจมันป่วนปันเหนื่อร้อนทั้งกลัวตายก็กลัวตาย ความกลัวตายนี่แหละจึงว่าสำคัญมากนะทุกคนได้สอนตนไว้อย่าให้กลัวตายถ้ามันเกิดกลัวตายขึ้นในเวลานั้นแล้วมันจะไม่มีสติปกครองคุ้มครองจิตใจจิตใจจะเลื่อนลอยไปตามกระแสะของกิเลสนี่นะถ้ามันเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วกลัวตายอย่าง น, นั้นเนี่ย ให้พากันระมัดระวังไว้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าไปประมาทอย่าไปสำคัญว่าเรารู้แล้วแล้วก็ไม่สนใจที่จะพิจารณาเรื่องความตายให้บ่อยๆจนเกิดงานความรู้ขึ้นเมื่อไม่เกิดงานความรู้ขึ้นมันไม่รู้แจ้งตามเป็นจริง ในความตายนี่มันก็กลัวอยู่วันยังค่ำเลยมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระ อ, องค์เจ้าจึงทรงสอนใน mm hmm. พิจารณาคมตายในทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกมาก็ตายหายใจออกไปแล้วไม่กลับเข้ามาก็ตายถ mm hmm. ึงว่าความตายนี่ มันเป็นของที่เราจะรู้ได้ล่วงหน้าได้เลยว่าเมื่อลมหายใจนีหยุดลงเมื่อใดก็ตายเมื่อนั้นเมื่อลมหายใจนียังมีอยู่ก็ยังไม่ตายนั่นแหละท่านยึงสอนให้พิจารณาลมหายใจนี่เสมอเสมอเมื่อพิจารณาอยู่ยนี่มันจะเห็นแจ้งขึ้นว่าไม่มีคนตายไม่มีสัตว์ตาย สังขารร่างกายนี่มันแตกดับไปต่างหากสังขารร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราก็าจะไปถือว่าเราจะตายยังไงเลาก็าเมื่อเห็นแจ้งอยู่ว่าขันังห้านี่เราบังคับมันไม่ได้ไม่อยู่ในบังคับบรัญรชาเลยอย่างนี้นะมันย่อมเป็นไปตามกฎธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนี้แล้ว ยังจะสําคัญว่ามีตัวตนอยู่หรือยิ่งสคัญว่าเรากําลังจะตายอยู่อย่างงี้นะเมื่อไปสําคัญอยู่นั้นก็ชื่อว่าไม่ปล่อยไม่วางขันทั้งห้าอันนี้เนะี่ยจิตยังยึดยังเถื่ออยู่ถ้ามันฟงมันวางจรินจริงได้จริงมันเกิดงานความรู้ขึ้นมาในเรื่องตายตามเป็นจริง มันก็ไม่สำคัญว่ามีคนตายมีสัตว์ตายมีเราตายมีแต่ธาตุสี่ขันห้ามันแตกแย ก, กออกจากกันไปเท่านั้นเองนะเมื่อไฟเผาเสร็จแล้วก็ยังเหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นเองนะก็คนอื่นตายให้เห็นเป็นสักขีพยานอยู่แล้วนะ เราจะไปสงสัยอะไรเรื่องความตายสอนตนเข้าไปอย่างนี้เนี่ยเมื่อสอนตนเข้าไปอย่างนี้ในปัจจุบันเนี่ยบ่อยๆเข้าอามันก็มองเห็นความตายนี่อยู่ลำไรอยู่แล้วถ้ามันคิดเห็นอย่างนี้แล้วตัณหามันก็เบาบางลงมานี่ความทะเยอทยานอยาก ไปในสิ่งที่รักที่ชอบใจต่างๆมันก็เบาบางลงไปเทจรนาบ่อยๆเข้าไปเทใดตัณหามันก็ยิ่งเบาไปเท่านั้นแหละระ ง, งับไปเท่านั้น เ, เมื่อความอยากมันระ ง, งับไปแล้วก็ไม่ต้องทำมาหาเรื่องชีพอะไรเหลอก็จะปล่อยให้ ร่างกายนี่มันแตกดับไปโดยไม่ต้องหาปัจจัยอะไรมีเรื่องมันเหลือบางคนก็อาจจะตั้งปัญหาขึ้นอย่างนี้ก็ได้จึงขอเฉลยว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นไอความอยากในที่นี้ไมายเอาว่าความอยากให้ร่างกายนี่มันมั่นคงท้าบอลไม่อยากให้มันแก่ชรา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 อยากหลับนอนอยากพักผ่อนร่างกายอันมูนี้มันเป็นความอยากประจำขันขันอันนี้ถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนมันไม่เกิดหิวอาหารไม่อยากอาหารอย่างนี้มันกใกล้ต่อตายแล้วอันนั้นนะถ้าธาตุขันนี้ยังปกติอยู่ถึงเวลาหิวมันก็ต้องหิวถึงเวลาอยากมันก็อยาก ความอยากอันนี้ถ้าบุคคลมีปัญญารู้เท่าแล้วมันก็ไม่ขอให้เกิดทุกข์ไปอย่างใดไปอย่างนั้นเพราะว่ารู้เท่าว่าธาตุสี่ขันธน์ น, นี้มันเนื่องอยู่ด้วยอาหารถ้าไ ม, ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วมันก็เหี่ยวแห้งแตกดับทําลายไปเท่านั้นเองแต่ทีนี้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 ทำลายชีวิตของตัวเองด้วยการดื่มยาพิษบ้างยิงตัวตายบ้างหมนี้นะอันนี้เรียกว่ามันทำเกินกฎธรรมดาไปมันก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมเวนแนละทีนี้ติดสอยหอยตามสนองไปเกิดภัยชาติได้ถึงเวลากรรมมันให้ผลแล้วก็มันมันมีเลื่องมหายุ ให้จิตใจมันเกิดความโกรธความโศกเศร้าเสียใจอย่างรุนแรงอะไรพวกนี้เกิดกุ่มจิตกลุ่มใจขึ้นมาแล้วก็ไม่โลกนี้ไม่น่าอยู่เลยนะความรู้สึกถึงขั้นนั้นแล้วมันก็ทำลายตัวเองได้แหละคนเรานะนี่มันเป็นอย่างงั้นบุคคลผู้ไม่พิจารณาให้รู้เท่า ความจริงของชีวิตดังกล่าวมานั่นน่ะนเน่นแหละมักก็ฆ่าตัวตายอ่ะเมื่อประสบภัยพิบัติไม่สามารถจะแก้ไขได้ถ้าบุคคลมาพิจารณาถึงกรรมถึงผลของกรรมได้อยู่อย่างนี้มันก็ไม่ฆ่าตัวตายแม่เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยลำบากาะมลจะเพียงใดก็ตามผู้รู้ธรรมของจริง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 มันนึกไม่ได้หรอกเรื่องมันนะที่เขาทำนองเขาว่านั้นห้างหน้าจวนนกนั่นเนี่หน้าไม้เนี่ยเมื่อได้ห้างขึ้นง้างขึ้นสายมันเอาสายมันมาใส่ไก่มันไว้แล้วอย่างนี้นเล็งไปแล้วมันจะไม่ลั่นไกไม่มีหรอกนั่นนี่มันต้องลั่น อันนี้ชั้นใดบุคคลเมื่อกุ้มใจมาเต็มที่แล้วคิดฆ่าตัวตายลงไปแล้วมันไม่ฟังแหละไม่มีอะไรจะมาต้านทานได้ก็ต้องฆ่าตัวตายดีๆคนสมัยนี้ยิ่งฆ่าตัวตายมากเมื่อมันไม่ได้สนใจธรรมะคำสอนพระสุชาแล้ว มันก็เบื่อหน่ายในชีวิตนี่แต่ถ้าได้ฟังคำสอนของพุทธเจ้าโดยละเอียดถีท่วนนแล้วจะรู้ได้ว่าออร่างกายนี้มันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมเป็นเครื่องตกแต่งเราสร้างกรรมทีแรกคนนะ่ะเราทำกรรมทั่วใส่ตัวเอง เช่นไปฆ่าผู้อื่นเนื้อเบียดเบียนผู้อื่นสัตว์อื่นอย่างนี้นะกรรมนั้นแหละมันก็ติดสอยห้อยตามมาเมื่อตอนมาเกิดในโลกนี้อีกถึงเวลากำรรนั้นมันให้ผลแล้วมันก็ให้คิดฆ่าตัวตายตนเห็นมันเป็นมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกุ้มใจไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจ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 มันก็ปรุงตกลงได้เออเราหาักหลงไหลมาอาศัยอยู่ในรูปนามอันนี้แล้วสร้างกรรมดีกรรมชั่วอะไรมาแต่ก่อนโน้นนะถึงขาวกรรมชั่วมันในผลมันก็ต้องเกิดความวิบัติในร่างกายสังขารนี่แน่นอนเลยอย่างนี้นะแต่ถ้าตนไม่ได้ทำความชั่วไม่ได้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นมาแต่ชาติก่อนห้นหลังแล้วอย่างนี้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 นี่แหละเมื่อผูใ้ใดมีกำลังวางชาดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำคมชั่วไม่ได้ฆ่ามนุษย์และสัตว์เดรัจฉานมาแต่ ก, ก่อนหรือว่าได้ฆ่ามาได้ทำลายมาอย่างนั้นแต่ได้จะไปเสวยผลของคมนั้นเต็มที่แล้ว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 เมื่อไปสนใจเรื่องคำเรื่องฝนของคำนี่แหละคนเรามันจึงเป็นทุกข์มากอยู่นี่นะเป็นอะไรมาวิบัติอะไรมาก็ร้องควรค้างร้องหาสิ่งศักดิ์ทธิต่างๆมาช่วยเหลืออะไรต่ออะไรมันก็คว้าไไปทั่วนะจิตตใจนั่นไงตัวาจากบุญเพิอไปตามกระแสจิตนั่นแหละ ถ้ามีแต่ความทุกขุมลมอยู่ในหัวใจนั่นผู้ใดที่ประมาทไม่ภาวนาไม่พิจารณาร่างกายสังขารใ้เห็นตามเป็นจริงก็ย่อมได้ประสบกับความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้แหละก่อนตายกวนกาวายกระเสกกาสนไม่มีสติประคองจิตของตอน บาปกรรมมันก็ได้ช่องอันนี้นะนั่นี้มันก็บีบบังคับเอาร่างกายนี้ให้ตายเร็วๆ เ, เขา้าอันนั้นแหละดังนั้นนะ่ะผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายภาวนาให้เห็นแจ้งในนามในรูปนี่ตามเป็นจริงอย่าไปถือมั่นว่าเป็นเป็ น, ป น, ปนราวเป็นขอ ง, ของเรา เบกจิตสอนจิตนี่ให้ปรงให้วางอยู่เสมอเสมอเราเห็นแจ้งว่าร่างกายนี้ไม่ใส่ตัวตนก็จริงแต่เมื่อกรรมดีกรรมชั่วที่ทรมาถก่อนยังไม่หมดเราจะไปทําลายตัวเองเสียก่อนอย่างที่ว่ามาเนั้นมันก็ไม่ถูกต้องตามกฎธรรมดามันก็เป็นบาปเป็นกรรมไปมดังนั้นทางที่ดี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 อยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเวลามันวิบัติแปรปวนไปก็เป็นทุกข์เดือดร้อนก็เป็นอยู่อย่างนั้นบุคคลผู้หลงผู้เมาผู้ประ ม, มาทไม่ฝึกจิตใจของตนเองดังนั้นผู้ใดเป็นผู้มีอินทรีย์บารมีมีบุญวาสนาที่ตนได้สัง่งสังสมอบรมมา รู้ตัวแล้วก็จึงไม่ควรประมาทควรพากันรีบเร่งภาวนาเข้าไปให้มันเห็นแจ้งในรูปในกายอันนี้ตามเป็นจริงเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงอยู่แล้วเห็นอยู่ตลอดเวลานะไม่ใช่เห็นเป็นครั้งเป็นคราวต้องให้รู้ต้องให้เห็นอยู่เรือ่อยไปเป็นอย่างนั้น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 เมื่อพิจารณาด้วยปัญญาเห็นจริงแล้วนี่ความจริงมันมีอย่างนี้นะนี่แหละคำว่าการฝึกฝนจิตใจให้ดีจริงตามที่หัวข้อที่ยกขึ้นเบื้องต้นนะั่นน่ะต้องให้ดีจริงต้องให้รู้จริงในร่างกายสังขารตามเป็นจริงอย่างนี้มันจึงไม่หลง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 เมื่ละอุปท า, านอันนั้นมันทำให้มาเกิดอีกเมื่อเวลาจุนจะตายก็ห่วงเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ห่วงลูกห่วงล้านห่วงเหลนหล่อนเข้าไปทีนี้จิตใจมันก็ไปเกิดที่อื่นได้ไม่ได้แล้วมันก็วกเวียนอยู่กับลูกกับหลานนั่นแหละเมื่อได้ช่องได้โอกาสมันก็เข้าไปท้องลูกท้องหลานจิตวิญญาณนี่น่นนนนะ เพราะมันห่วงนี้บันนี้พ่อแม่กับเกิดเป็นลูกกับมาเลยลูกกับกลายเป็นพ่อเป็นแม่เข้าไปแล้วผูกพันกันอยู่นี้นะเพราะฉะนั้นให้พากันพิจารณาให้เห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นเหล่านี้อบรมฝึกฝนจิตใจจนให้มันดีจริงๆอย่าให้ดีธรรมดาให้มันรู้จริงตามเป็นจริง